สิคราบ ท, ที่5ว่าด้วยภิกษุณีมีภรรษาครบสิบสองเป็นประวัตินีแต่สงยังไม่ได้สมมุติเรื่องภิกษุณีหลายรูป1 1 4่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเสฐีเขตกรุงสาวัีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายมีพรรษาครบสิบส แล้วแต่สงยังไม่ได้สมมุติบวดให้คุรัติดาพวกเธอเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแม้สัตทิวิหาริณีก็เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโผลนทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีมีภรษาครบสิบสองแล้วแต่สงยังไม่ได้สมมุติจึงบวชให้คุรัติดาเล่าครั้นแล้ว